สั ญ, ญาแล้วก็บบฝังเรื่องราวบกซ์นะเรื่องเศษเมถุประมาตค้ามบา้ า, บางเขามาตคาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จิตเพื่อนออกมาถึงแม้ว่าในความฝันมันมีนความจงใจในความฝันนะแต่นั่นไม่นับวัาเป็นป อ, องค์อบัดนะครับคามจงใจในความฝันนะนมีเจราอยู่แต่เจรนานัานมันออกครนะับไม่เป็นอาบนะัดอัจิตเพื่อนอันนี้ก็มึนไปอย่ยครับอืมเดี๋ยวถ้าเกิดอยอธิบายในะความฝันวิทยา เพยายามไม่ฆ่าพยายามไม่ก่อดนอนนะเกิดราค่ากุ้มลุกพยายามเนียไปจับเนี่ยปีนไปเลยนะครับแล้วก็หลับไปเลยนะหลับฮามเลยถ้าไม่ปุยยังมันจับมันจะช่วยไหไม่ใช่ข้าจะแบบจะเป่ามันต้นน้ำไม่ออกว่าเพียงแต่เขาก็เขาก็อยากให้ออกแต่ไม่ออกนี่เพียงยังนู่นะหลับไปแต่ปุยยังจับเอาให้อยู่ หรื стати, อว่าหาออนนี้หมุนไม่อยู่นะครับหลับไปถ้ามีความพยายามา ย, one, ยังมีองั้นครมือยันะแรกคิเคลื่อนอันน <im> ี้เป็นถ้าไม่เคลื่อนนะไม่เคลื่อนเย่เปเป็นงนเสร็จถ้าเคลื่อนนี่เป็นงานที่ไม่ถ้าเคลื่อนมันต้องครองมันต้องครองนนี่คุ่าจะอธิบายอะไรอีงเสียสิเสียสิทจิตฐานออสจิความประสงความทะนญาความฝันอธิบายเขบ จงใจพยายามเื่อไปก็มาดูลยการขงางหน้าหกฐารพน า, นานสังฆาพิเศษสุดแท้อธิบายบสังฆาพิเศษคาว่าอิเมโคนะอิเมโคนะสมิโตะเป็นคำนำแห่งเนี้ความที่จะกราบปานี้คำว่าไอาสมิโ เป็นคําร้องเงียบที่สุดผู้พร้อมเพียงกันอย่างอ่อนหวานผู้มีิมยมรนะคําว่าเตกษณะแปล ว, ว่าสิบสามนี่เป็นคํากำหนดจํานวนว่าอานบัตรกองนี้นะมนีสิบสามพ่อคําว่าสังฆาทิเสสาเป็นชื่ออานบัตรในศิบสามวกนี้ไม่ชื่อสังันทิเศศคําว่าทํามาหมายถึงอานบัตนะครับห ม, มถึงอาบัตเรนะ า, าจะแปลว่าอานบัตตืนะ่นก็ได้ คำ ว, ว่าอุเทสังอาาัคติสิทธิว่าย่อมถือซึ่งการสวดอยู่หัวข้อความว่ามาถึงฌานที่จะต้องสวดโดยสรุปคือเป็นหัวข้อหัวข้อพื้นม่บทนะครับไม่ใช่มาถึงฌานที่จะต้องสวดโดยเหตุเพียงการป่าวรวมรวบทั่วทั่วลำเพลิเป็นรวมรวมนะครับเหมือนในนิชาที่ว่าเนสสิญญาายาอัปติอนนี้ฌานจะมีคำนี้ใช่ไหมครับ อาปฏิวะอบัตสียาคือยศแก่ผู้ใดใช่คว่าอาบัตในนทานเนการกาล่าวรวมอบัตทุกกลองแต่ในที่นี้ไม่ได้กล่าวรวมอย่างี้ก็การข้อสำัเยโยเป็นหัวข้อแมบทปุาลเลยจละข้อก็ผสามนี่นไม่ยากอะไรครับทีนี้ข้าควาอธิบายข้อหนเราต้องเลาเรื่องก่อน ก็เลยสมาธัแ ล, แล้วที่สุดทั้งหลายฉันโพชนะอังโนี่อาจจะเป็นเนื้นมไขในสายน้ำอัญมณีตันนี่นะครับแล้วก็จำว่าปล่อยสติไม่มีสมัมปััญะเมื่อเธอจาว่าปล่อยสติไม่มีสมัมปัชญะอสิจิเคลื่อนโดยฝั น, น, นว่าฝันหมายว่าสิเคลื่อนนะคเธอมีความเกียจว่าพระพุทธจ้าทรงเีวยมศีลหาบไว้ว่าป่อยสุกังเป็นไปด้วยความจงใจเป็นงานเ แรงจิตของพวกเราเพื่อนโดยฝันทั้งเจตนาในความฝันนี้จะว่ามีก็ได้เนี่ยนะผมว่ามีก็ได้นะครับนี่เลยฉลองพวกเราต้องมาสิงคาริเสร็จและประมงเนาะจิงจ่าในเรื่องนั้นอยากให้มาพากย์เจ้าให้มาพากย์เจ้าแต่ว่าดูก่อนสิดหมายเจตนานี้มีอยู่นครับในความฝันในเจตนาที่มีครับเพราะจิตมีขึ้นวิสีแล้วนะเจตนาในสัพพสาระนาเจตติกใช่ไหมครับ แต่นั่นเป็นอภนยลิข์เล็กน้อยนะไม่อลึกล่าวว่าเป็นอันบาปแล้วผู้กงก็สอนุบัญญัติขึ้นมาครับว่ารอยสุจักเป็นไปนบเรด้วยความจงใจเว้นไว้แต่ฝันเป็นสังฆาเสเ็จนี่มีคำนี้ขึ้นมาครับตอนน่อก็มาดูในกางาต้นมันอย่ิมาบ้างนะ คำอธิบายในตังขาข้อหนึ่งอธิบายสุ ก, กัญญาสัตติสิขาบทชื่อว่าสังเจตนาท่านเราจะอธิบายสัแสงแต่ละสาไปนะครับชื่อว่าสังเจตนาเพราะมีเจรณาที่จะปล่อยสุกัญญาในเจลปฏิกา ร, ร, ส, กการสังเจตนาแม่แหละชื่อว่าสังเจตนการก็คือมีความจงใจหรือมีเจตนาไปอีกอย่างหนึ่งสังเจตนาความจงใจ ที่จะปล่อยสุกามีอยู่เหตุนั้นชื่อว่าสันเจสักาก็คือมีความงใจนะการปล่อยสุกากชื่อว่าสุสาวิสถีนะวิสถิแปลว่าปล่อยสุกาสุกาเพราะว่าการปล่อยสุกานะก็คือวิสติอะไร้นะ <c oughs> สุกมีความกําหนัดพิสุกมีความกําหนัดชยายามที่นิมิตคร อ, องพระชาติที่จะมีประสิทธิภาพ ด้วยจิจตนาดีๆในการหลั่สุจิในที่ใดที่หนึ่งมีรูปในภายในเป็นต้นนี่ออกอากาศสุขุมเสดสมาโดยอ้างจิตอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นต้องการหายจากโรคภูมต้นแล้วให้สุจิอย่างใดอย่างหนึ่งในเมาสุจิสิบอย่างมีสีเขียวเป็นต้นเพื่อออกจากฐาอันนับว่าที่น้จิตขังอยนี่สีเขียวเขียวนี่นี ทนึ่งครัเป็นยังไงอธิบายที้เกี่ยวกับพยายามที่ใดที่หนึ่งมีรูปภายในเป็นต้นไอความพยายามเนี่ยอุบายในการก่องท่านก็จําแนกเป็ น, นสี่ข้อนะครับข้อแรกพยายามที่รูปภายในพยายามดึงรูปภายในคือยังไงครับก็ <c oughs> ใช้มือของตัเองอ ว, วัยวะเซลด์เซลลหนึ่งนะครับไปพยายามที่ของประาทศอล้วก็ได้ ก้าเรียกพยายามปล่อยสุกักะในรูปภนะ า, า, าย น, นะาะานะครับก็คือใช้เอาไว้ว่าร่างกายตเองนะใช้มือใช้ขาใช้อะไรก็ได้ครับเป็นพยายามเพื่อจสร้างอืมแล้วก็มีครับปล่อยสุกกะในรูปภายนอะกในรูปภา ย, นะยนอกนี่ก็มีนะไม่ได้ใช้มือครับแต่ไปถูถ่ายกับต๊ะเตียงต่างกับหมอนอะไรแนละ้วแต่นะหรือแม้แต่ว่าสอดเข้าไปในช่องรูปดามอะไรยิง่งครับนีอันนี้คิดว่าด้วย ในรูปภายนอกแต่รูป้านอกเนี่ยเกี่ยววัตถุที่มีมิจฉาหรือว่าไม่มีมิาก็ได้อาจจะถูถ่าคนอื่นนะตรงอ่อนกร่างไรอะไรอื่นีงไรนะครับเพื่อจะปวาร์เสียนะ่าเพราะฉะนั้นรูปภายนอกมีได้สอย่างมีมิจฉาก็ม่มีมิาก็ได้เลยนสิงเครื่องแล้วก็อันนคือป้านส้นสในรูปทั้งภายในและทั้งภายนอกคือภายในที่มีายในบางอยนะ เย็นงเช่ว่าไปจับด้วยใช่ไหมดูกภายในนครับและก็ไปเสียนสีกับโต๊บเตียต่างนครับนั่นก็เป็นทั้งสองฝั่งนะครับโดยกาจับนี้ก็ไปชูชัยกัพวกนั้นด้วยเจ้าสุจิเพื่อนครับและทีอันจุดห้าที่สี่ไม่ทำดูลภาย้าไม่คูภายนอกนะุ้กอย่างครับแต่ว่ายางเซลให้ไหวในอากาับเนี่นะก็อเอ็ในอาการเนีนะ่ยไหวใช่ไหม เหมือนพวกยิ้มสติกเน่ที่เขาาหัวเข้าไปในตัวเห็นไหมเอเนี่ยสายไปสายมานะครับส่วนนี้ก็สายไปสายมาเมื่อหละก็ไหวเซลไมเ่ยสายไปสายมาจิมก็อขกช่างก็เป็นอไว้ว่าใช้การได้ครับแล้วก็ใช้ไปจีเครื่องครับนี่ก็ถือว่าเป็นความตัวอย่างนึงแต่เราเจอในวิทย์มีแต่ว่าผู่เรียนจะโหดแตกๆนอย่างครับเอาน้ำล่าล่าแล้วล่าอีกล่าล่าอีกเนี่ย ขยายความจิตเชื่ อ, อนอดุจิเชื่อนนี่ไปอนกันกนะทำน้ำมาอดดิ้นอีกเรื่อยใช่ใ่อ่านากเลยเอาน้ลางเล่นดูโคลนี้น ะ, นะหลายอย่าครับต่อไปทํารบะบอกว่าด้วยอ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นต้องการหายจากรอเป็นต้นอันนี้เกี่ยวกับความประสงค์ นะครับความประสงค์ในการปล่อย่ติมีอยู่สิบอย่างนะความประสงค์นะอย่างแรกคืออะไรเราก็คือว่าปล่อยสติเพื่อประสง ค, ค์งความหายโรคปล่อยเพื่อประสงคความหายโรคก็คิดว่าถ้าเราปล่อยสติแล้วเราจะหายจากโรคนะอาจจะไม่สบายเป็นไข้เนี่ยนะร่างกายกระสับกระส่ายไม่สบายเป็นพวกที้ก็คื่อท้่จะปลดปล่อยตรงนี้หรอกนะ อันนี้คงจะคิดว่าณจากตัวนี้ที่มันไมค่อได้หอนะครับก็เลยเกิดปลดปล่อยห อ, อกไปคิด่าปลดปล่อยองอยมันจะหายนะอันนี้ครับที่ว่า<ไ>เพื่อหวังจะเป็นคนไม่มีโลกจะยังทำนะไม่ได้ทําได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ทีนี้ถ้าอีกอย่างนึงก็คื อ, เ, อ, อเพื่อต้องการความสุขครับเพื่อประสงค์ความสุขคือเพื่อหวังว่าจะยังสุขเวียนานาให้เกิด อันนี้ส่นนนะนวนใหญ่เป็นอย่างนี้ที่ไม่ทำกันไอความเสียเสียคุณคันนงครับนั้นนะหมอคิดก็บอกว่าการฝ่ายสิ่ธิ์นไม่ได้มีอะไรมากหรอกมันแค่สเสียเสียคันคันเจ๋งๆอะไรใช่ไหมครับแล้วก็หมดไปแค่นั้นนะนี่แะส่วนใหญก็ต้องการความสุตขตรงนั้นนะครับนความคุณชีวิตเกิดจากการปล่อยสิทธิ์นั่นก็ทํานี่ความประสงค์อย่างที่สองสอย่างที่สามคือเพื่อประสงค์ปัญญาคือเพื่อพูดว่าจะเปญญ็นยา ที่ว่าสุจีของเราเนี่ยมันจะเป็นยารักษาโรคได้ย่างไรยังางหนงครับมันจะเป็นตัวยาในทุกอย่างเําไปรักษาหมดก็เลยปล่อยโรับพยายามทำให้เครื่องเ ร, เเรไปแค่ที่เพื่อประสงค์ให้คทานคือเพื่อมุ่งหวังจะให้ทานเชื่อเราปล่อยสุจีแล้วเนี่ยเราก็จะเอาสุจีมาให้ทานแต่พวกมะเร็งมอดหรือมะร็งตัวเล็กๆอย่างนี้ น, น, น, นะที่อย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยสุจีออกมาพ่อมีด้วยนะ นี่ความประสงค์มันมีหน้ามีหน้าต่อไปครับเพื่อประสงค์ว่าจักได้บุญนะเพื่อประสงค์เพื่อประสงค์เป็นบุญคือมุ่งว่างจักเป็นบุญหมายเพราะว่าเมื่อปล่อยสติให้ทานจกผ่วงแรงแรงนะก็จะเป็นบุญบุสรณ์จะเป็นอย่างนี้ครับที่ไหนแล้วก็ปล่อยไปต่อไปข้อหกเพื่อประสงค์อูชายันนะครับ มุ่งว่าจะบูชายานอันนี้เป็นยังไงค้าช้าก่เพื่อจะให้ทางครับแต่ที่ว่ามูลปล่อยสุจีแล้วเราจะเอาสุจีนะอให้แก่พวกเมล็ดๆนคะครับโดยมีการไล่บนอะไรบางอย่างครับมีการกลาวบทบน อ, อะไรบางอย่างแล้วให้นเนี่ยชื่อว่าให้บูชาอย่างบูชายันเนี่ยพวกเ ม, มล็ดมัน สบายเจ็ดนะครับเพื่อประสงค์ไปสวรรค์นะม่วงว่าเนี่ยอเราจะไปสวรรค์ด้วยการที่ปล่อยให้การเก็บพวกแมลงเป็นต้นด้วยบุญหรือด้วยยางวิธีนี้เองครับก็จะได้ไปสวรรนะแล้วก็ที่แปนะครับเพื่อประสงค์เป็นพืชคือม่วงว่าจะเป็นพืชไงแทนพืชพันที่จะให้เด็กเกิดขึ้นมานะะ <c oughs> ี่ครับปล่อยสุจีนะแรกที่เอาน้าสุจีเนี่ยไปใสป่ไปในช่องพ่อ น, นะครับ เพื่อถอเี่ยเป็นืชจะได้รูปออกมาต่อไปเพื่อประส่องทดลองคือเพื่อมุ่งวาจากทดลองมืว่าสุกัดจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาสีน้ำีงนสีน้ำชาสีน้ามันสีนมสดสีนมนมส้มหรือสีเนอใสนะครับต้องการทดลองนี้ะอาจารส์ีเราีอะไรกันแน้เ่ยอย่างท่าบอกว่าในเพราะมนเน้เสีสีนะเดี๋ยทดลองดูครับท่านก็เลยเปิดทำไปอย อนี้ก็ไม่ได้เลยนะปวดทั้งหมดนะทรับไม่ปวดเลยอไปาะบบกว่าเพื่อประสงค์ความสนุกคือมีความมุ่งใจอันนี้มุ่งอย่างแรกนี้นะถ้าบอกว่าขวนขวายในการเล่นที่สุ่ย่อมปล่อยเละมีความ กำลังนะสมพบได้จริงรับสั่งใหผ่าต้นพักคาหุ่นด้วยมีดผ่าแทนเลยนะสรงแสดงแง่สมพบซึ่งหมายออก เคื่อนออกจากการนั้นหลลงสู่คลองปัสสาวะจอบข่างนอกก็ตามเมื่ อ, อ ก, ก็ต่างเป็นส่วนขาพิเศษท่าบอกว่าก็แลความหมายลงสู่ควะามปัสสาวะท่านก่าวว่าการหดสู่แบบนี้ก็เพราะเป็นของนิทานไทยไม่นะครับไม่พึงกาจโอนจากตั้งห้ามเสียระหวางแม้เพราะว่าถ้ามจริงมันเคลื่อนจากขาแล้วนะยังไงยังไงมันก็ต้องลงสู่ไอคลองปัสสาวะนี่นอนไม่ไม่สามารถที่จะตั้งได้เมื่อมันถึงขีดสุดนะ เนี่ยมันต้องลงควาประสาท น, นะครับนนจริงอยู่อจริเคลื่อนจากฐานแล้วย่อมลงสู่ความประสาะเป็นแน่เพราะฉะนั้นในการปวดสุดจารณ์นี้พึงสร้างอาบัติด้วยเหน็นเพียงเคลื่อนจากฐานเท่านั้นก็เคื่อนจากฐานั่นก็ต้องแล้วนะทีนี้นะี่ยเอาความพยายามนี้ครับต่อความพยายามในองคชาติเท่ า, านั้นนะ ความพยายาม และก็ฝันขึ้นมานะอันนี้ยอดฝันเป็อารมณ์ที่ตนเคยเสวยมาแล้วมันกากก่อนต่อไปเทพสังขอนห้สังขารนาคกนจะนำมาเป็นะ ค, ปความฝันที่เทวดานํามาให้นะพวกเทวดาจะนําอารมณ์ต่างๆเข้าไปให้นะครับให้ฝันนะดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับและถึงว่าเทวดานั้นนะ่ะหวังความเจริญหวังความเสี่อมให้นะ เพราะเป็นผู้มุ่งหวังความแสดงบ้านความเสื่อมบ้านแต่บุคคลผู้ฝันเพราะเทวดาสังขอมผู้นั้นย่องขวัญเหตุอารมณ์เหล่านั้นื่อยรูปนะภาพของเนะทวดานั้นท่านก็จึงเล่าใน ด, ดีการนะก็มีพระเสถระในองค์นะครับไปสายคนเป็นตักต้นไะม้เป็นที่อยู่ของเทวดานะหรือก็ได้แจง้งของสร้างก่อนะครับทีบนี้เทวดาก็เลยโกรธเขาไม่พอใจ ก็เลยบรรยายท่านฝันนะบรรยายท่านฝันว่าพระราชาจะตายในเจ็วันแล้วก็ขอย้อนนี่ก็บอกกับพวกนางสุนกำนำนะว่าเนี่ยพระราชาจตายในเจ็ดวันนาสนุนก็ไปบอกกับพระราชาครับพระราชาก็ลองรู้เราจะตายจริงห่ือเ่ในเจ็วันเนแล้วก็พอมาถึงเจ็ดวันปุ๊บไม่ตนะครับก็เลยถามไปหาเห็นว่าใครบอก ไ็เลบอกว่าพระเระนนี้บอกพระราชาสุกิลนะก็สั่งให้ลงโทษพะระเระด้วยการทำ ย, ย, ยังไงหรือสมมติเป็การมือนะอ้หานสั่งนัดมาอเลยนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เนี่ยสีแรงบังไอ้ทให้ฝันเอเหตรื่องที่ป็นจริงใช่ไหมนะครับแล้วก็เกิดโทแต่ท่าน ต่อไปนะครับนี่แค่ตังค์บอกไแล้วแล้วก็นะครับอะไรที่ใช้บุพพานิมิตนะครับุพพานิมิตเมื่อบุคคลฝันเพราบุพพานิมิตชื่อว่าย่อฝันที่เป็นบุพพานิมิตแห่งความเจริญมากแห่งความเสื่อมบ้างซึ่งต้องการจะเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งบุญและบาปเหมือนมาดาของพระโพิสัตวใช่ไหม ตอ น, น, นมมที่พระเจ้าขึ้นมาถือปฏิสนธิในม้าข่งของข้ามาแล้วข้ามาจางก็ทงพระ ส, สุบินใช่ครับ น, น, นั่นคือเรื่องจริงเป็นยังไงนะทรพระสุบิว่าอย่างไรงพระสุบินว่าเช้ามาหาราชทั้งสี่พาพระนางไปที่อาไรนะสาร น, น, น, นูนานวะแลี่ยนดนะนแล้วก็ใหส่งน้ำเปลี่ยนผ้าอะไรใหมนะ่นะครับและก็อะไรมีภูเขาทอ และพอไปอยู่ในภูขเขาเงินเะนื้ออาจารย์ไผิดนะแล้วก็มีพญาช้างเกือนมานามทําประทัดศีลสามรอบนะครัแล้วเข้าปาัญหาใช่ไหมเก็เป็นพันธมิตรนะครับหรือว่าอ๋อเนี่ยทรงแบบไรหรือเหมือนบุพเพนิมิตนะครับเของพาโพธิสัต์นะเหมือนพระโพธิสัตว์ทรงมหาสุดวินัยและเหมือนพระเจ้าก่อสอนทรงพระสุดินัยสิบห ผู้ไดทเจ้าของเราเนี่ยก่อนที่พองจตัดสรู้ใช่ไหมวันหนึ่งเนี่ยเ็วันที่สี่ค่ำนครับพอ ก, ก็มีพระนิิตเป็นวิมิตหมายล่วงหน้าว่าพองจะได้ตัดสรู้พระสมมาสมเ จ, จ้าแน่ อ, อห้าประการอันนี้หลายคนเคยได้ยินนะพระสุวินแล้คือสมองสมสุวินว่ามหาปัจจีนนี้ได้เป็นท่านบรรทมอันยิ่งใหญ่คุณคำอินมาพานี่เป็นทักษเนยหมอใช่ไหมครับ พระบริษัทมันชมวางผ่านขึ้นซ้ายอย่างลงไปในมหาสมุทรด้านที่บุรพาวางผ่านขื้นขวาอย่างลงปในมหาสมุทร้านทิศปัจฉิมวางพระยุทธรบาดอย่างลงไปในมหาสมุทรด้านทิศขัทธิสิ น, นี้เป็นมหาสมุทรข้อหมหาสมุทรข้อสองก็นะครับมีติณชาติก็คือแยกนะชื่อว่าติทยะที่ก้กลางวางเป็นแยกคางอกมาจากสือของพระองค์พระนาฏีแล้วก็ เมื่อพระองคอดพระเนตรอยู่ในแหล่นะครับในญาคามก็งอกสูงถึงเลื่อนๆนะจนจดท้องฟ้ามาร้อยโยกข้อทิ่สามระองค์ทรงสวดินว่ามีกินงไมชาอยู่หมู่นอทั้งหลายรู้ว่ามีกายสีขาวแต่มีสีสันดำตายท่มาจากปลายทระบาทข้าวิญญาณบ่าป้องปิดตลอดลำพระชมสิ่งอันที่สี่ก็ทรงสวบมนว่า ผงสกุลนชชาคือนอกทั้งสี่เหล่ามีวัณ น, น่ า, าต่างกันบินมาจากที่ทั้งสี่มาจาับฟุบลงที่บาดมูลแล้วกลับกลายเป็นสีขาวไป็หมกซิ่งอันที่ห้าทรงสุปรินว่าขึ้นไปนีครับแสดงขึ้นไปจมกลมบนภูเขาใหญ่อันอานคุณบริจคู่นะภูเขาอยู่ในคู่นะครับ แ, แต่คู่ไม่ได้ติดกระบานนี้เป็นพระมหาสุปปินข้อที่หนะ้าพระมหาสุปรินข้อแรกนะครับ ว่าอะไรนะมีหาปฏิปีเป็นแทบรรทมคุนทารเสน่ห์ลูกมีนน ป, ป, ป้าขันไหนเ็ต้นนะครับอันนี้เป็นพระนิมิตแห่งการศัตรูเป็นพระสัมมาพระสมัมโพธิสัมมาสมุทยัยอันยอดเยี่ยมครับที่ทรงอะไรนะจะเป็นว่ามียากานนะงอกมันสลือเนี่ยเบุคคลนิมิตแห่งความที่พระองค์จะได้ประกาศด้วยดีซึ่งพระอารยมังมยองแผ่ในหมู่เทปดาลมนุษย์ ที่ฝันว่านองตัวสีขาวสีสันดำใช่ไหมไตขึ้นมาที่เพื่อยิ่งของลำบากเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นพันธุ์ที่มีที่พวกขั้วหนึ่นะครับผู้รุ่งค้าขาวทั้งหลายจะได้เข้าข้ามเมื่อผ้าแลกถึงสาระ น, นะครับนะแล้วก็ข้อสี่เนี่ยที่ฝันว่านกนกสกุลในแช่นะนกทั้งสี่หลักนะครับมีมันละต่างๆ ก, กันก็เป็นพันธิ์ที่มที่วางวันหน้าทั้งสี่นะ กความแท่สูนออกบุมาจากคารวามัมบะชานปัญเช่นทำวิงไงที่พระสารพจเจ้าสมบกาศแล้วกัะทำให้แจ้งซึ ala, ่งมิมุตอันย่อนที่อุบลบุตรพรมาสมกันนน้ครับอันที่ห้าพระนิมีท่าเนี่ยอธิบาเซรื่องเขาและก็จะนำกองอบนคู่นะครับถูกพันนิว่าพระบริษัทนั้นหล เป็นอุปทานที่ไม่แห่งการไม่เดียรงได้ปัจจัยสี่และแห่งความวิตพรงไม่ติดอยู่ในปัจจัยสี่นอันนี้ก็คือในอุปทานิีมิตรกับท่านจิงหรือเหมือนความฝันของพระเจ้ามันเปนิโสดไห่้ที่ประกาศนี่ก็ไปอ่านเองได้กันนะเรียกสมุปการในอุปทานิีมิตนะครับทีนี้นะครับความฝันที่เป็นจริงเนี่ยมีแต่พ่ออุปทานิีมิตรอย่างเดียวครับความฝันที่ท่ากําเริบก็ด เครทรางมาก่อก็ดีนะครับอ so ัรพวกนี้ไม่เป็นจริงที and ่เทวดาฝังขอมก็เป็นจริงผู้ม <ikh> ีไม่จริงก็มีครับถึงแม้เป็นพิมิตเนี่เป็นจริงในส่วนเดียวนะครับและใครฝันฆ่าเษฐะและผูิชนเท่านั้นย่อมฝันเพราะละนิปรางไม่ได้ถ้าไมาลัวหันนั้นจะไม่ฝันนะครับพวกนั้นนรางเลยแล้ว ฝันไดนะ้นนะต้องนครับไว้ไม่แต่สมารค์เปนแล้วถ้าฝันเลลนรื่องรามม่องเป็นไรฝัน <c oughs> ว่าเสด็เมนถึงมานตุคาอันจะติดกาวที่ตกเยื่อับนหน้านะติดกาวีตกหรือ ว, ว่าเคยสัมผัสไปที่ใครเห็นอะไร น, นันนะ่นะแรดแต่ครับชินอาวครับและก็สิ่งเค้ืนนครฝั ความหมายของสังขาริเศษส่วนเนื้อความของศัพท์ในอาบัตินี้คือภิสุปูตต้องอาบัตสังานิเศสจะเข้าอยู่กรรมในเพื้องต้นและกรรมที่เหลือต้องพึ่งสงเท่านั้นเหตุ น, นั้นจึงได้ชื่อว่าสังขาริเศสขยายความว่าพิสุต้องบัตสังขานิเศสนี้แล้วปาจถนาจะออกจากอาบัตในเพื้องต้นแห่ง ก, การออกจากอาบัตนั้น ที่สูนั้นต้องพึ่งสงเท่านั้นเพื่อการให้ปริว่าทุกขั้นตอนทั้งหมีดตั้งแต่เบื้องต้นนะการให้ปริว่านตอนใส่สงเพื่อให้มานะและให้อเพื่อให้มานะหรือให้มานะพร้อมกับการชักหน้าแนะบบเดิมมูลยศป ฏ, ฏิศนาจะยังไม่อธิบายอยู่ตรงนี้นะเพราะท้ายของกาเสด็จนั่งเสด็จอธิบายนะอธิบายเรื่องปริบา้บานนี่นี่นะครับอันเป็นกิริยภางแปลงใช่ไหมขอ ให้มันนณะชังหาชางหาอัเดจึงทำกลาเพื่ออภาร้ะเป็นกรรมสุดท้ายอันหนในเรื่องออกจากอับปัญญาดิเศณนี้ไม่อาจจะทำกรรมแม้อย่างแว้งจากสงได้ต้องใส่สงรมือต้นทางาที่สุดทั้งหมดโดยเฉพาะกรรมสุดท้ายอภารนะต้องใช้ประสงมีศิรูปที่ยนอย่างหนึ่งก็ไม่ได้นะมูอาบัตเขาม่สูผูปัตนนสง ทั mm. 는는้งในกรรมบืงต้นและกรรมที่เหลือจึงได้ชื่อว่าสังธรริเสดจโอ้ยจำถึงนูได้่ะนะอ่านบัตรที่จำปัตนาสองทั้งในกรรมเบื้องต้นและกรรมที่เหลือชื่อว่ามัชนาติเศษสังฆาเขาสงฆ์ใช่ไหมจำปัตนะแล้วก็ใส่เข้ามาเองอ่านที่ก็เบื้องต้นอันนี้กรรมเบื้องต้นเศษสารที่เหลือมันจำที่เหลือ อราครับไม่ได้เสดสั่งสังที่วาจาก็จริงแต่มันมีกายของเรารอยูอ่พอก็ยังสงสวรรค์ว่าเป็นกายการรมสงวค่าเป็นกายค ร, รับเดี๋ยวข้างหลังเนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้องค์จะมีองค์องเดียนะกายิต น, นะไ ม, ม่วาจา เนื่อหนึ่งไม่มีความพยายามไม่พยายามนะสองไม่ประสงค์จะให้เพื่อนสามอจิตเพื่อนในฝันสี่เป็นบ้าเป็นต้มเป็นต้มก่นมอนวิกรณ์เฉลี่ยชน้นแรกก่อนเฉลี่ยจิตจิสร้างกับสภาษาผู้เวทนาอธิกรรมวิกาพวกนี้มันต้องอยู่แล้วนะครับไม่มีความพยายามยาที่ไล่ฟนนะ้ามีไหนะจงใจจะให้เคพื่อนนะครับแต่ว่ามม่พยายามติดแต่เรื่องรางมบ้องนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะ ตึกไปถึงมาออ ก, กค้ามสุขให้เพื่อนนี่ไม่ไปดามัดนเะพราะไม่มีความพยายามแล้วก็ไม่ไปส่งใจให้เคลื่อน เ, อเช่นเวลาองความสะอ า, า, อ า, านอ่านน้ำก็ไปทำความสะอาตรงนั้นนะครับหรือว่าทานยาหรือว่าจองแล้วแต่นะอันนี้เขาไม่มสงใจให้เพื่อนนะถ้าเคลื่อนก็ไม่ต้องดามัดหรือว่าสุขสุขเพื่อนในความฝันอันนี้ก็ไม่ต้องครับการร่วมมือสืบค้ำ่ทนี้จัดเป็นสีร่ายรีบัก องอ์อาบัตนครับอาบัตในสิกขาบทนี้มีองศาคือหนึ่งมีจิตนาจะหลับจิตในใจเต น, นะต น, นี่นะต้องมีใยใจตนาครับสังเจตอนิการเนี่ยตรงนี้นะต้องครบเลยสอง ม, มีความภยยาสามอาศิจิตเคลื่อนจากฐานเมื่อครบองคศานี้ก็ต้องอบอกสามสาธิเสร็จสมุทฐานเป็นต้นเหมือนกับในปฐมปราทิกขาบทก็คืออะไรครับ การจิต น, นะงเราจบการอธิบายสุกาวิจสติขามบุตรแล้วเดี๋ยวมึงจะเสริมให้หน่อยนะความจริงตรงนี้ท่านจะอธิบายเกี่ยวกับอราฆาของเราความกําหนัดสิเอ็ดอย่างนะซึ่งมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทำจิตให้เคลื่อนด้วยอราฆาความกําหนัดสิเอ็ดอย่างนะครับมันจะมีความกําหนัด ค, ความดีเพื่อแช่จิตเคลื่อนครัยินดีในขณะที่จิตกำลังเคลื่อน ยินดีให้จิตเคลื่อนเสร็จแล้วนสามนะยินดีในมือถุนยินดีในภัสสะยินดีในความคันยินดีในการดูยินดีในการนั่งในที่ลักเนี่ยยินดีในคําพูวเตอร์นะแล้วก็ความรักษาใส่เรือแล้วก็ความยินดีด้วยตีนไม้ที่คุณถักไับแต่อีอย่างหนึ่งเป็นยังไงเช่นความยินดีเพื่อให้เคลื่อนเนี่ยอันนี้ไม่ยากนะครับไอ้คนต้องการปล่อยจิตใช่ไหม เัาก็ยินดีที่ได้เจอเพื่อนแล้วก็ป็นเพือนยาวใช่ไหมครับโดนจีเคืื่อนอันนี้มันก็ต้องอาบแต่บางทีนะยินดีในไหนอ่ะจีเคกื้อห น, น้านอนหลับฝันไปใช่ไหมแล้วก็วานอามบก้องอะไรแล้วแต่นะอาุจีเคกื่อนกําลงังเคกื่อนตอนตื่นขึ้นมานะแล้วรู้สึกอย่างนี้กิจกรรมเกื่อนอั น, น่ี้มันไม่เป็นอาบัต น, นะครับแต่ถ้ายินดีนะมาทำมันเึื้อหลังใหม่มหมดนะีครับนะมันจะมีอันใหม่เพิ่มเื้อนออกมาอีก ต้อง no ิเส็จนะอ่ามนเคลื่อนอรก็หมงเลับคพูดเองำต่อออกเลยให้นาอันใหม่ออกมาต่อก็ไปแล้แล้วก็ฟังยินในเมื่อจิตเคลื่อนแล้วนะรู้จิตเคลื่อนออกยียงร้อแล้วนะครับแต่ว่าพยายามซ้าใหม่นะให้อ่อนลอกขึ้นอย่างี้เป็นอันที่มันเคลื่อนเองะยินเคลื่อนเองอันนั้นไม่เป็นถาพยายาซ้ำ และก็ความดีในเมตุนก็อย่างเช่นพี่สูร่ยไปต้องการใ e s e t เมตุนใช่ไหมครับก <c oughs> ็มีการก่อจุดรูปธรรมมาถูกทางนะงมะธรรมานะี่ตรงนั้นมันเป็นอาบาัติที่กดใช่ครับเพราะเป็นข้ประโยชน์ของเมตุธรรมนะแต่ว่าเมื่อกรมเหการนะครับเมตุนอย่างนั้นแนละ้วกลับมายินดีรับแล้วก็มาพ ย, ยายามที่นิมิต น, นะตัวจะปล่อยสติสจิเคลื่ อ, จจอนก็จะเป็นอาบัิสัมพันเสร พอความาสมมันเปลี่ยนแล้วต่น่าจะเสะเอาแป้งมาทำตรงนี้นะครับแล้วก็ยีเดียในภาษาหรว่ายีเดีในภาษาเนี่ยจะแบ่งเป็นสองอย่างคือภาษาภายในกับภาษาภายนอกภาษาภายในก็คือเมื่อภิสูจนะครับเล่นนิมิตของตนอาจจะซุกซนนอนยังไม่รู้นะมนเล่วัฒนธรรมกนเองนะครับคิดว่าเราจะรู้จักว่ามันตึงหรือว่าย่อกันยังไง มันเตึงมันหย่อนแค่ไหนจะดูนะไห้เล่นดูนะครับโดยความซุกซนนะครับนี่ก็ดีอัตจิตเคลื่อนไม่เป็นอันตรายเพรามันคงใช้เคื่อนแค่ทดองนะตึงมันหย่อนแค่ไหนครับมันเป็นยังไงกันแน่เราจะดูครับเนี่ยอัจิตเค่ไม่เป็นอันตรายแต่ว่าถ้าเล่นอยมือนั้นนั้นก็ยินดีในการปล่อยนะครับมาพยายามแม่จิตเคลื่อนนี่เป็นการเสร็จ อันนี้ถือว่าเป็นาษภาษาภายในไว้ัาษาภายนอกก็คือเมื่อวิสุร่วมความอาวัยาะน้อยใหญ่ของมารดาแล้วก็สวนกาะด้วยความสมานกันเขาคกายใช่ไหมเขาคุณการผู้หญิงนี่เขาจุกิเพื่อนไม่จะนำบาปสัมพันธ์เศษข้อนี้แต่จะหีข้อหนึงข้ อ, ขขขขอพักสการผู้หญิงนะเป็นข้อ แต่เมื่อเขาการผู้หญิงเนี่นะนะตา่ ม, มาภรรยาปล่อยผู้จีดีนะดเน <laughs> ี่ยมก็จะโดสัมภคมัทุกข์ไม่ครัขาคือข้อหนึง่งปล่อยจีข้อนครับยินดีในความคันอันนี้ก็ไม่ยกนะตอนแรกจะเป็นหิบเปื่อยแรงขัดไอนะักืนคันสังคังแรงแค่ไก็แล้วแต่หรือมีสไลด์แรกมาตัดในความคัน ถ้าอะไรเก่านะก่าไปก่ามาจีเพื่อนไม่เป็นหรอกแต่ถ้าก่าไปก่ามาแล้วก็เกิดยินดีขึ้นมานะจะปล่อยครับมาพยายามอะไรนะนะครตรงนั้นอ้างได้รืไม่ได้นะว่าผมจะเก่าอเฉยแต่ใจคือยินดีพยายามจะปล่อยนะครับเทอบก็เป็นการเสร็จนะเพิ่มเติมเพิ่มเติมต่อไปนะครับยินดีในการแท่งดูอันนี้แท่งดูอะไรเหมือนถึงการแท่งดูโอกาสนะ แค่แห่งด <from at> <time> <days> ูนิมิตของมังคาครับรวมถึงเนื้อของผู้หญิงเงี้ยนะเรื่องหน้าฟันมีในการดูเกิดราคาตนตาบ้าย้องใจนะก็แห้งดูนิมิตของมังคาครับถึงแม้ว่านิมิตของผู้หญิงเงี้ยนะเข้าถึงแม้ว่าเจะนุ่งผ้าหลายชั้นก็แล้วแต่แต่เราแรงมาเนี่ยองค์เหนือเขาอยู่ตรงนี้แหละนะอะไรก็แห้งไปเรามองจ้องมาตรงนั้นนะอย่างนี้ก็ไปอาบัตทุกเกาะ เพราะว่ามองโอกาสที่มันสมควรของมาตุขานะแต่ถ้ามองไปอย่างนี no ้นะมองไปมองมาล้านตามครับอสุจิเครื่องไม่เป็นนามบัตรพ่ออุจิเพื่อนนะพ่อไม่พยายามเท่าเท่นครับแต่เป mm. ็นนาบัุรผู้กดพ่อไปเพ่งบน้ของมากาอันนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันท่านยินในกาเพ่งอยู่ดกลับมาพยายามนี้และอุจิเพื่อนอันนี้ก็ต้องไม่ใช่กันนะไม่ช่ครับ เข้าพยายามที่นี่มีะครับครับเป็นแค่เป็นแค่ทุกเกาะไม่เหมือนพันเศษแต่เท่งตรงนะเตรไม่มีครับมีเท่งนี่มีตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรนะถ้าว่าเราไปเห็นอยู่บังเ อ, อิญข้าวจะนุ่งผ้าแต่เราหันไปแล้วก็ไปตาเราไปดูหนะัาตรงเหรอตรงนี่มิเข้าพดีหรอแล้วไม่ได้ตั้งใจนะหมายจะเห็นแม่ทำไม แล้วเราก็สมรวมแล้วกลับนะมาสมรวมเหมือนเดิม น, น, นี่ครับแต่ยิ่งไม่ต้องอาบนะันนะเพ่าะตอนแรกมันเราไม่ได้จ้างใจนะมันสายตาไปเองครับสายาาไปเองไม่ได้เพราะว่าสา ย, สาายตญญญ า, ะนะาไปเองแต่เมื่อรู้อย่างนั้นนะก็แลกสิ้งฟ้าสมรวมก็ับไปเ่งต่อทันทีใงนั้นที่จะเป็นนะถ้าสถื่อนถ้าไม่เอาที่ว่าจงใจจริงๆนคะครับต่อไปดีใ น, นาการเรื่องที่เราพมาตึงห้า กานังในที่รับนีงครัแบบว่าหุสาดีที่อยู่กันสองกสองใชิไดีนะจะมีช่าว่างเป็นการป้องคองครจะได้พูดได้ละเอียดี่นะถ้าพลาดไะยินดีกาห น, น้าง่ัผู้หินี้ก็จะต้องบั่บบจิตตีรัเราเจอข้างหน้าแต่ถ้านั่งไปนั่งมาจะาสั่จีเครื่อ น, น <c oughs> ก็ไม่เป็นมันต้องกลับมาพยายามแล้วปล่อยให้ไป ต่อไปยินดีในการพูดเกี่ยวหญิง น, นะครับด้วยคา น, น า, วานามก็เนี้ยภาพถึงเมถุนธรรมธรรมวาบนะครับพูดไปพูดมา ก, ก็กระละาชักตั้งเข้ามาเอาสีเขื่อนอันนี้ไม่เป็นนะครับไม่เป็นงานเสกข้อนี้แต่เป็นข้อพูดวาจาช่วอยาะะ่างพูดวาจาช่วยยาคือพูดถึงเมถุนธรรมน ะ, ะแล้วก็ธรรมว า, วาบหญิงนะครับแคนะคะั้นนี่คือพูดกับผู้หิงพูดกับผู้หญิงเรื่างนนะะกาย ผู้ติผู้ชายไปเจอที่แน่นะครับเรื่องจะแยกแยกกับกระเธออะไรนะเรื่องอันนี้ข้อ น, นี้ก่อนต่อไปนะครับอันนี้อันนี้ก็เหมือนคล้ายแหละถ้ากลับมาเพย์ยาปล่อยก็โดนทุกนั้นนครับต่อไปนะครับเก <c oughs> ี่ยวความรือาศัยเดือนนะ ด้วยความรักมันมาจาหรือกอดที่สาวน้องสาอะไรก็แล้วแต่นะจิเพื่อนไม่เป็นอาบัติไม่เป็นอาบัติสานดิเศษในข้อนี้และก็ไม่แป็นบัติสถานิเศษเพราะว่าเขาคุณมการด้วยพร่าไม่ได้กํานดในการเขาคุ้มการับแต่รักอาศัยเดือนนะแต่เป็นผุ้กดเพราะถูกต้องด้วยความรักอาศัยเดือนเป็นปัจจัยนะครับนี่แล้วนั่นนะผู้หญิงไม่แต่แน่งเราก็ไม่ได้ ต่อไปคนะ่ากับมันแพงยังจะเป็นต่อไปถ้าของขวัญท่านใช้สำนียความมินดีด้วยกิ่นไม้ที่บุคคลคุณหาได้ว่นาน่ารังแค่หนวกครับเอ้ยกลายเป็นของขวัญของฝาดนะครับแต่สมัยก่อนก็จะมีของฝากของอะไรมาฝาดใช่ไหมครับเนื้อถ้าบอกว่าหญิงกับชายส่งบรรกัยของขวัญ น, นะครับสมัยก่อนเป็นพวกหมากรูนี่นะครับ ของหอมดอกไม้เพื่อปกปิดอะไรนะผลไม้ร่างไม้น่แต่ส่งให้กันเพื่อให้มีความคุ้นเคยถืงสมบัติมั่นคงครับอันนี้เรียกว่าผังข้าข้าผู้หญิงส่งของให้ผู้ชายนะข้านะครับแล้วก็ข้าวกำหนั่นะกำหนั่งในของนะโอ้ของนี้เนี่ยผู้หญิงส่งมาให้เราครับนี่ยินดีเลยอาโมลุบพํางนะครับอาโมลุบพํานะจะต้องมันโดมด้วยนะนะแสงนะครับและสิที่เพื่อน อ ja er. ันนี้ไมเป็นนะแต่ถ้าว่ายืนๆนั้นก็มาปลปล่อยนีอันนี้จะเป็นครับแต่ถ้าพยายามรักิาไม่เคลื่อนก็เป็นอันตรายนะจต้องไอ้ต้องไอ้ราคาอย่างๆตรนี้นะท่าถือว่าสำคัญเลยนะครับในการวิจัยอันบัตรพัเศษเราก็รู้ว่าเข้ายืนยันเรื่องอะไรถ้าในการปล่อยหรือเลาหรือยืนนข้ออื่นรอเ่าถมีอย่างอ่นก็จะไม่ต้องเกี่ยวข้อนี้นะ เพื่อทายาเนี่ยก็ว่าได้อาด้ัยน้ำร้อนอด้วาร้อนว่าเขาจะูีคุณอะไรจะให้เครื่องเขาเป็นสามไปสามมาที่น น, นะาา น, นี่ทายาเก่าอันดี่ผ่านแะล้นะครับเดินทางมาเดินทางกำลังเดินทางหาองคชาตไปเสียสีกับฮานนะต้องสองข้าครับอันนี้มีประสมให้ออกไม่เป็นใ้่มีประสมให้ออกนะจงแท้เสียสีไปเสียสีมาครับและออกไม่ต้องนาเสับ เดี๋ยวท่านจะบอกไว้นะครัว่าเวลาเดินทางเมื่อความกับกุ้มเกิดขึ้นนะเกิดราค่าขึ้นมาครับบางทีมันจุดแหงตัวขึ้นมาใช่ไหมเวลาเดินบางคนจะเสียสีกับตรงขางสองข้างได้ถ้าบอกว่าไม่ควรเดินทางเคยเดินเลยแล้วเดินเลยเลยยังจิตให้สงบเดียนนักสิกขาในอสุภะเป็นต้องกำมันกรรมฐานให้จิตบริสุทธิ์นะจึงเดินเดินต่อไปครับ ถ้าว่ายนเดียวแล้ว ม, มันเท้าไม่ได้อีกนะก็ให้ม่ออกเช้าๆแล้วก็ไปนั่งมันเท่าก่อนให้มันหายก่อนนะจิตบริสุทธิ์นั่นแหละแล้วก็เดิน ก็ถือว่าจบ จิตแปลบัวนะจิตแปล ไม่ถาม่ายก็แล้วแต่นะมีเคื่องประดับ บางต่อครับลอกผ่องนะเป็นบางแค่อ ต, อตอนที่ัไม่ได้เปิดมันก็จะมืดๆหมายถึนะครับตอนไหนเปิดก่สวา่างนี่เนี่ยขณะนั้นผู้ชายยี ง, งยแล้วก็ทําไงแล้วย้อนมาทางหลังนะครับเพราะว่าพามเดินก่อนใช่ไหมแล้วก็พามันีนะครับ <c oughs> แล้วพามเดินต่อแล้วผู้ชายยิงก็พามันีครับใช่ผู้ช า, ายยอาศัยช่วงจังหวะที่พามใจกําลังเผล่ น, นลนะ เขาใส่ใจเดียมมองลงมือสีสวยงามนะครับแกก็ได้แอบมาข้างหลังพามณีเลยนะแล้วก็มาจับเอาไว้ว่าน้อยใหญ่นะครับของนางพามณีนัพนท่านพามสุนทานกับท่านผู้ทางนีแล้วก็ลาจากไปแล้วก็นะครับพามนั้นดีใจเป็นมากาแสดงความยินดีว่าถ้าสำน้าเสียสารปัสกัญญาบุตรเหล่านี uh ้อยู่ในป่าเช่นนี้ยามีายาสัยดีต้องรักคําสู้อะไรนี่นะปฏิสัมพันธ์ดีด แม้ท่านผู้ทายอยู่ในป่าชนิดที่มีทิศสายดีนะเมื่อพามะกนี้ามันนี้ก็ได้จากกับพันว่าผู้ชายจะมีทิศสายดีแต่ที่ไหนผู้ชายได้จัเอาว่าน้อยใหญ่ของมิฉันเมือที่ท่านจักมิฉันนะครับโอ้พอพามันี้พูดอย่างนี้นะทายไม่พอใจเลยครับเพ่งทอดตะเกียนปรนาว่าอุปการอะไ่าปว่าเยอะเลยนะนี่พิสุจทั้งหลายครับได้ยินพาม นน้น่งต <of> <Pop> ู้เตนพัฒนนาทีผู้มากมายสําดแล้วก็แพงตเตนพันาก็การที่พะจ้าทงสร้างนะครับด้วระองคปรชสอรงสอบขาทงตีเตียนรงทางดีและก็มาหยั่งขาบนนี้ขึ้นมาพระองค์ทางดีเรื่องไหนเนี่ยสนใจก่อนนะต่อไปนะครับ สัมมานา7ิจังกาข่าวนาจ0ิอธิบายการสังสัมฆะสิขาบทในสัมฆาดิเศษสิขาบทที่สองมีคาถาอธิบายลำต่อไปนี้ท่านจะอธิบายสับแสงต่างๆเราก็พยายามเข้าใจต่างๆด้วยคำว่าอติโนที่แปลว่ า, านะผความกำหนักครอบงำแรงนะครับโอติโนว่าครอบงำนะ ความว่าพิสูจถูกราคะซึ่งเกิดขึ้นข้างในพุ่มรุ่มแล้วเหมือนกับพวกสัตว์ที่ถูกย่อเป็นต้นควบคุมไว้ฉะนั้นนะครับเนี่ยใช่ไหมที่ว่าไปนะ่ะราค่าเกิดขึ้นในจิต น, นะแล้วก็พุ่มลุมล่มใช่ไหมมันเป็นสรัานะครับพุ่มลุมนั่นแหละนะเมื่อพวกสัตว์ที่ถูกพวกย่อควบคุมตัวไว้ไปไหนก็ไม่น่ามีสรัทธาเลยให้เราแต่หมกมุ่นแต่เรื่องนี้แหละเี่อ <c oughs> ฉะนั้นหรือว่าอีกอย่างหนึ่งครับไม่ทันได้พิจารณาคือแบบไม่มีโยนิโศไงแล้วก็ไปสมัครอยู่ในฐานะที่น่าดูดีนะครับชื่อว่าอย่างลงสู่ความกำลังเสียเองเมื่อกี้เอาเลาราคามาคุ้มลุ้มใช่ไหมแต่เนี่ยหมายถึงตัวบุคคลนั้นนะไม่มีโยนิโศไม่พิจารณาครับแล้วก็เกิดความกำลังขึ้นมันก็เหมือนลงอย่างลงสู่ความกำลังเสียเองครับเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายที่ตรงไปในบอกเป็นต้น ตรงไปไนในความกำลังใช่ไหมนะครับควาไพิจารณามสว่าโอติโนโ น, นี้เป็นชื่อของวิสุผู้เกิดความกำนังในการเค้าถึงกายท่านบุญก็ใชเจนนว่ากำลันี้นนะกำัการเค้าขึงกาครับคาว่าวิปริยเตนะจิตเตนะที่ว่ามีจิตแปนรูปครับความว่าจิตละความเป็นปกติกล่าวคือ วาสุขตอบวังที่หมดจดเป็นไปอยู่ประการอืนนะรัเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมคือเปลี่ ย, ยนไปด้วยอำนาจราคะอาที่ก่าแล้วตั้งอยูตอนแรเจริญผวังวนได้นะแล้วให้ความผวางมงระะติใช่ไหมมากลายเป็นราคนะัเพราะว่าราคะเขาีโทรศัมีโมหะเข็ดีนะทําให้จิต แ, แ, นะแปลงวนญจิตแปลงนะมิเปลี่ยนแปลมมาจากสภาพเดิม ตอนแรกอาจจะเป็นพวังหรือว่าเป็นปุษมลจัก็แลแต่นะนี่เมื่อเกิดราคะึ้นก็เปลี่ย น, นเปลียไป <c oughs> คําว่ามาตุชาเมนัะสัตหีงความว่ากรับหญิงมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เอามีชีวิตอยู่ด้วยนะครับถึงแม้จะเพิ่งเกิดในวันนั้นถ้าหญิงตายแล้วเนี่ยต้องบัดถุกแล้วใจแต่ว่าต่อตายแบบหนาว่าังไป็นวัฏถุหรือเปล่ราชิตเ น, น, นี่ยีเป็นทุกข์ใจ คำว่ากายสังสารังสมาปชยญาที่เราะคึงถึงซึ่งการเขาคึนกายความว่าเ้าคึนกายประกอบด้วยความพยายามทางกายเช่นจํามืเป็นต้นส่วนคําว่าหัดขับขาหงวานเป็นต้นนี่จับมือก็ดีนะเป็นการแสดงความหมายที่พิสดารของคําว่ากายสังสารังสมาปชยญาเป็นกายสังสารัสมาปชยญาเนี่ย คือถึงถึงถงการเค้าถึงปายมังคุ่มไปแล้วใช่ไหมครับผูนะ้รวมๆคูไปหมดเลยแต่ยังมีคำพูดหัดหัดหักขนางวางเป็นต้นเนี่ยเข้ามาอีกอันนี้เป็นการขยายวางนะครับคําว่าถึงความไปถึงลานะขยายมิจฉาชื่อในคำนั้นชื่อว่ามือมาเอาตั้งแต่ข้อสอจนถึงปลายแล้วนะครับอันนี้ที่ว่าเวลาประเทียนของใช่ไหมแม้มือที่เหยียบออก แล้วก็แบนมือตั้งแต่ข้อสอไปแบนครับแต่คนอื่นก็เอาหนะ้าสุดีใช่ครับอุดที่ครับแต่คนีื ก, ก็เอาแทนะนะที่เขาเอาทีา่เข้ามาไขไพ่สุดนะแล้วก็นับไปถึงตรงนั้นะครับต่อไปนะครับคําว่าช้องผมนั้นเป็นชื่อของมวยผมที่ถักหรือไม่ถักอาจจะถักไม่ถักกนะ็แล้วแต่นะ เป็นผมเนรู้ว่าหรือแซงไว้ด้วยเครื่องปลดักอย่างในอย่างหนึง่งมีด้าศีรษะเป็นต้นหรือดอกไม้เงินพวงดอกไม้สรออ้อยคอสร้อยไข่มุกติดกลมก็โดนตรงนั้นนะสื่อเลือองผมต้องหมนดนะคราวถชครับเป็นทรงไหนทำไมเขแล้วแต่แต่ถ้าเราไม่ไปโดนผมพขนะโดนเครื่องประดับที่อยู่บนหัวน่ะนะครับเ้าเรียกว่าถนะูกต้ อ, องของนุ่งริกายนครับ ทราไม่โดนผมเลยนี้อาบัติบาลเป็นถุนจ่ายเองต้องโดนโดนตายเลยนะครับเป็นสถานเสยก็ด้วยเบนี้ที่ว่าช่องผมสในคําว่าเณนิฐานวาจับช่องผมก็ดีไม้เอาผมพ้อมทั้งขนนะผมเอาท่านี้พอาเห็นนั้นการจับมือซึ่งมีลักษณะดังกล่าวนะชื่อว่าจับมือการจับช่องผม ชื่อว่าจับจับมวยผมการแตะต้องอวัยวาที่เหลือ น, นะครับทั้งหมดเลยชื่อว่าการจับต้องอวัยวะอย่างไรอย่างหนึง่งที่สุดใด จ, จับต้องอจับมวยก็ดีจับมวยผมก็ดีะะหรือจับต้องอวัยวะอย่างใรอย่างหนึ่งนอกจากนั้นที่สุดนั้นต้องบัดสังขารอีกเลยไม่ได้เรื่องนะครับประเภทอาบัต วันนี้เป็นศาสนะบัญญัติสคขาวันี้เพ่งพระพเจ้าทรงปารกพระพอชายีเถระในเมืองสามัคคีบัญญัติได้แล้วพราเหตุคือการจับต้องกานสิขควันนี้เป็นาศาสนาบัญญัติม่ีพิุนีไม่มีนะครับมาศาสนากรรมพิสุนีเป็นอนามติกกรรมไม่เกี่ยวกัการใช้ใค้ทเองและน่งนโิสุทคัญในหญิงว่าเป็นหญิงและถึงต้อง แม้แต่เอาผลโดนผลหรือเมื่อผู้หญิงโดนแล้วก็พยายามเพื่อจะรับมือผัสสะต้องมันทันเสร็จเลยครับอันแรกถ้าไปโดนเองไปจับเองใช่ไหมต้องทันเสร็จที่สองผู้หญิงมจาจับมาต่อเช่นพวกพยาบาลมันจับใช่ไหมบางบางคนไม่ยอมใส่หมูมือนะ่นแล้วก็ยินดีสัมผัสต่อสนะัมผัสต่อนนะเฉียบหนะาเฉียบมือครับอย่างนี้โดนมาโดนครเพราะฉะนนต้อง บางทีเวลาไปบริจาคเลือดนะหมอถ้าไม่มยอมใส่หูมือมันจะมีคนเหนื่อที่แยนอะไรครับภาอะไรก่อใช่ไหครับคนนั้นไม่มยอมใส่มือ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ดเสียอ่ะนะครับถ้าลองยินดีไม่รับกระทบประแทกต่อกข้าไเป็นหังนะครับนิ่งเฉยไรเนี่ยอันนี้ท่านใส่ใจค า, า น, นี้ให้ดีนะครับว่าหญิงสําคัญว่าเป็นหญิง เป็นผู้หญิงเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นผู้หญิง้วเหมกัครับถ้าเราสาคัญถี่ว่าอันี้กระเทยอันนี้เป็นผู้หญิงนะหรือจความหรือเป็นผู้ชายไปจับต้องเนี่ยอ่านบัตรฉัไม่ถเป็นการพิเศษอ้ะครับจะบองเราแค่ละจ่นะครับอันนี้ต้องมีความรู้ด้วยนะแต่อ้างได้ไมนได้ต้องจริงจริงนะโอเคถ้าอยารู้ว่าเป็นผู้หญิงนะก็โด ต่อไปนะครับที่สวนอามือข้างหนึ่งจับแล้วเอามืออีกข้างหนึ่งจับต้องเอาไว้วาส่วนนั้นนั้นแช่อยู่ตลอดวนันต้องบัตรพิเศษตัวเดียวครับ <c oughs> เพราอีกข้างยังยึดไว้นะอีกข้างมันนะ ก, ก็ลูกทาไปจับไปนรัทั้งวันแล้วแต่นะต้องมาตัวเดียวเพราะครั้ง ย, งยังยึดไว้ <c oughs> <c oughs> ลูกคําตั้งแต่หวัวจดเท้าต้องอาบัตดตัวเดียวเท่านั้นนะครับแม้ว่าลูกคําไม่มีจับได้นะลูกคําแบบไม่ได้ปล่อยเลยนะครับเคลื่อนตลอดนะตลอดการนะครับแบบแตกเลยแตกเลยแต่ท่านไหนที่มันนูน ม, มันยุบเข้านะมือเรามันไม่แตกนะครับแล้วกลับไปแตกอี่แล้วเนี่ยอาบัตดเพิ่มเพราะว่าแตกใหม่อือเพิ่มหมายให้เพราะว่าแตกใหม่แตกใหม่นะแต่ถ้าไม่แตกใหม่ลูกไปทั่วกายนี่ครับนั่นแหละ ต้องตัวเดียวครับแต่นี่ก็ต้องเหมือนกันแหละแต่เนี่ก็ต้องต้องย้อนะครับเมอนมันจะมีทีเดียวนะไม่ได้นคะรับ <c oughs> แต่ถ้าได้จับมาณนะนะัะอ่ารวบจับทั้งห้านิ้วทีเดียวต้องบัดตัวเดียวเหมือนกันนครับแล้วก็จับนิ้วที่อีกนะรวบหมดเลยนะห้านิ้วไม่นับนิ้วมือมานับมือคนนะครับมีคนเดียวถึงจับห้านี้ก็ต้องบัดตัวเดียวแต่ถ้าจับนิ้วมือห้านิ้ว ของหญิงหลายคนต้อบัตรห้าตัวครับห้าคนก็ยิ่งมาให้เราจับเรื่องนี้นะไม่กจับเลยรวกเลยห้านิว้วนะครับห้าคนอันนี้ต้อบัตรห้าตัวเตามคือรับเป็นหญิงนะข้าเป็นผู้หญิงเราเป็นสงสยัยหรือเข้าใจว่าเป็นปันดับเป็นบุรุษหรือข้าจาเป็นสุดริ่มาชานอันนี้อาบัตรเบาลงต้อบัตรถึงน็จับบางทีมีนะผู้หญิงเนะี่ย กับผู้ชายแล้วก็รูไม่ออกไม่ถ้าเป็นเด็กๆแล้วดูยากนะเด็กผูหญิงหรือผู้ชายกันแน่เนี่ยมันีนรงผมก็ทํามาค้างอยน้ช่ไเด็กนะผมไปเจอเหมนาเดกผ้หญิเหรือผู้ชายเขาตอบว่าอย่างไงครับไม่บอกถ้ับอแล้วัได้มาดีมีพี่มีพี่ชายคนน ก็บอกว่าเป็นาะฉัเอาพาดีก็นะเป็นคดองเนจังเจอกันจิเอาพารต่อไปนะครับต้องอบัตรัใจเหมือนกันเมื่อถูกต้องการด้วยของเนื้อด้วยการและเ้าคือการหยิบอมนุษย์หรือบันดอก ถ้าถูกต้องของเรื่องในกายเช่นผู้หญิงเนี่ยเราต้องไปจับที่เนื้อในตงงานเสกนะครับ แ, แล้วเราไปจับที่ผ้านะมันไม่ทะลุโดนเนื้อดุ่มนเนี่ยอบับาลจะแค่ทุละใจครับขนะองเรางเช่นที่ว่าใครเกิดต้องชีวิตผลิตขึ้นมานะไปตกก้นพยาบาลนเนี่ย <c oughs> เข้ากีบกงมีผ้าอยู่ใช่ไหมอันนี้นไม่ลงกายในตงนะครับจะเป็นแบบทุนละใจ แต่เขาบางทีสมัย น, นี้นะเขาจับตึกเลยค ร, รับถือว่าเป็นอาจาร์ลม่ได้แต่ถ้าถ้าี่นายยไม่ถึงขั้นเสร็จนะครับเลยครับ่เป็นความรำคาญไม่พอฐานุญาส์ <S <S hmm. yes, oh. ่าอรก็า้าคืออะไรดีดีครับหมอ เพราะว่าเสด็จหมดใครก็ดนทนั้นแหละถ้าเราเสด็จมาเลยมันก็เสด็จไม่ใช่ไม่ใช่ครับเอาตรงที่มิของจริงมันมันมันคือถวายสามสิทธิมั้ยถ้าตรงนี้มิมันทวายอยู่ในสามสิบอันนะเขียนเรียนมาแล้วนะครับคุณจะซัสืบซ้ำันสก็แล้วแต่ว่าต้องประหาดชนั้นนะครับอาจจะเอานร้มาเทียบเคีมดอยากกันนะครับเพราเอาถวายเเกณตรงนั้นถวา คนก็สิบตัวที่ลูกขหมายถึงว่าคนเดียวที่ดุมแต่หัวแุดท้านะคนเดียวตัวเดียวถ้ก่มีอนอาจจะมีรดปานะครับจน้ะดับเระดับนั้นาก็มีขตว้นเที่เรรพเศษี่ปาโอทีนี้น่าสนใจนะเนี่ย มันเป็นคำถามที่มีอยู่ในแบบครับแลาจะให้ฟังนะครับจะเป็นอะไรดีละ่ะตั้งใจจับเพื่อผลักนะครับแต่ว่าเกิดไปโดนผมอันนี้จะเป็นอาบะอะไรดีในสองนีนะครับมีเรื่องข้อาหาปมะทุนมติของพระเส่าะครับท่านบอกว่าที่สุดใดคิดว่าจัก จับของเนื้อด้วยกายนะจะจับใช่ไหมเป็นประดับผงแล้วจับกายก็ดีเราอันนี้นะคิดว่าจับจับกายนะแล้วจับของเนื้อด้วยกาย ก, ายก็ดีที่สุงนั้นต้องอาบัตตานะถ้าสมา่าเถระตอบก่อนว่าต้องอาบัติตานวัตถุเท่านั้นต่อตาว่าถุเลยนะครับได้มว่าที่สองที่นีว่าอย่างนี้วัตถูกุ สัญญาราคาความรับรู้ภาษาเพราะฉะนั้นควรปรับขั้นการบัตรที่เก่าและในนิเทศการที่สองที่บางไว้วัตถุนั้นก็ได้แกกผู้หญิงใช่ไหมเป็นผู้หญิงของจริงทูกไหมครับสัญญาก็คือความสัมพันธ์เป็นผู้หญิงรับรู้ชองรู้ใช่ไหมราค่าได้แก่ความเป็นรนางการเขาคุ้กันใช่ไห ม, ไหมราคาอย่างนี้นะแล้วก็ภาษาก็คือความรับรู้ภาษานั้น ได้แก่ความรู้สึกผัจสะในการเขา้าถึงเการเพราะฉะนั้นที่สุจด้มีความสําคัญว่าเป็นผู้หญิงด้วยความกำลังอันเค้าขืนด้วยการคิดว่าจับจับของนเมื่การแม้พลาดไปถูกการพิสูจน์นั้นต้องสังหาิยเสธเป็นโทษหนักแท้ฝากพิสูจนนอกนี้ที่จะจับกายหช่ไหมพ่าดไปเดินของเมื่ออการนี้ต้องบังถึง น, นักใจชนิดแหล่นนี่นะ จะมีมัิของข้ามมหาประตูนีแต่มติของข้มมหาประตูนี้ถ้าไม่เป่านะครับข้ามมติของข้ามาหาคือมัจิตาว่าตามรตูเพราะเราดูแล้วมัด้านหมดเลยนะและ้ววผู้หญิงข้าจะเอาผู้หญิงแล้วขาในการข้าทํางกายแ ล, กแล้วสสก็เรารียนภาษาใช่ไ้ครับมันด้านบนแค่องนะก็จะต้องสมลัเสนะครับท่นออนะา น, นก็ะไรสรุปไว้ตรง น, นี้นะอ่อมมหาประุูเทล่าสาอย่างนี้แม่ก็จริงคือถ้าเห็นข้ามมหาปรานะุมเทล่าเนี่ย ท่านจะว่าต้องแย่อบบทุกนนะครับต้องแย่แบบทุกดนะครับท่านก็เลยมาสุดที่หนังว่าพระมหาปุถุเทรุฬการอย่างนี้แม้ก็จริงถึงอย่างนั้นในวาราของพระสุนัทั้งสองนี้ก็มาระของพระหาสุมาถิรุฬข้นั้นย่อมส่งด้พระบาลีต่าวาราของพระมาสุมาี่ว่าเป็นสังฆาฏิเศษจำแนกนั่นคืเกตฑเพราะว่าส่งกับพระบาลีนะว่าผู้หญิงนะครับ มีความสําคัญเป็นผู้หญิงมีความคำนวถผูกคลำจับต้องซึ่งของนเนื้อการของผู้หญิงเนื้อการต้องอานบับเข้าัจอันนี้เป็นถึงของนเนื้อการนะครับเข้าใโดนกายตัวก็เป็นฮันเซ็ตบอกกันไม่รู้ว่าลูกเก็บแล้วเป็ น, านนะการเป็นฮันเซ็ตนะพ่อมาได้นะครับ แล้วเปิดว่าอี่กรณีที่กวดรอดมาเเป็นแต่เนี่ยแล้วมันก็โดนกระป๋องยืกโดนกร๋องเนี่ยจะเป็นสองคนน่าจะโดนตายตรงนั้นไป พวลาแบบติเสกขาตาย้าตัวเลยครับเป็นหาตัวแล้วจะจะไมรอ๋อเวลากทำนิเสก็้อามพัาระัาจารามพลวาะครับสรับ้งเป็นาม่าร้งคานิิเสกานตัเยืออาบัญชีงเงี้ยครับสามาระตังคานิตเสกฐานนะนะครับพระพเจ้าต้องแบบนิติ หลายตัวหลายเมื่วถูกปกตวกากี่วันก็ว่าไปหนึ่งตัวไม่สี่ครึ่องอยู่จริงเท้าต่อไปคาที่อ่านินนิดนึงนี่ไม่จบดีต้องอํานตดถึงละใจเหมือนกันเมื่อถูกต้องกายด้วยของนื่งไม่นกายใช่ไหมนะครับอรนกายของบ้นถูกภาพที่ไม่ว่าบรรทุกภาพโเวลาประเคนของและแต่นะอันนี้ผู้หญิงประเคศของมาใช่ไหมครับผู้หญิงเนี่ยของนุ่นกายนะ ไอ้ของธาทางการในตรงไปจากท้องเกิดกำลัง่งดีขึ้นมาครับนี้ก็ยังต้องถอ่าใจเพอเราเนว่ากายของเราไปถึงต้องกายอผู้หครับอยู่ต้องของเนื้อางติดนะของมือการนะครับและเขาคือการหยิงอมนุษย์และบันดอที่เราถือว่าใจนางยักนะฮะใครจะดีหรืบันดอทั้งการคุณต้องถอ่าใจ พิสูจเอาพิสูจเอาของเนือไมิการถูกของเนื้อไมิการเป็นต้นของหญิงมนุษย์และจากต้งการกูเป็นต้นต้นมาที่กดนะครับท่าของเนอมการแของเนือมการเปนที่กนนะครับแล้วก็เราก็จีวรใช่หมผู้หญิงก็ผ้าไปเบียดเ้องนครบไปเบียเข้าตัวอะไรนอาจจะห่คลุมใช่ไหมครับออกไปข้างนอกน่ยแล้วก็ไปเบียนเข้าท้าของเราไปโดนข่าขอาไม่ได้เรมาโดนตรง ไม่คือว่าของเนื้อของเนื้อมอาโดนกันนำาบัดจบาลเป็นทุกเกาะหรือถ้าจับต้องผู้ชายที่ดีขันนาชา็ดีนะด้วยความเป็นการเคารพคกายนี้ก็ต้องนามาทุกกเกาะ เราไม่การทดสอบไม่เป็นไรครับนิ่งไ่อย่างเดียวครับแล้วเดี๋ยวเราประกอบต้องูว่าเราทำหนังหร่อล่ต้องดูว่าเราทำรปลาัหนัไม่เป็นไรักำหนัก็ไม่เป็นครับมันจะมีวัตถุอนามากนะแต่ว่าในกรณีน้มันปุ๊บปั๊บมันไม่ทันคิดอะไรใช่ไหมว่าเป็นอนามาไม่อนามาจริครับเขาเสรปุ๊บแล้วก็ ตั้งหลังไงมันก็เลยไปจับเข้าไว้ใช่ไหมครับในแง่ไม่เป็นอาบัตินะเป็นอาบัติแต่ถ้าไม่ใช่กรณีอุบัติเหตุย่างั้นนะตั้งใจจะไปจับเลยไม่มีความสมัครในเมถุนนะครับแต่จะไปจับจุมมือเลยก็แล้วแต่นะจุมมึงคนแก่ข้ามถนนอนี้แต่คนแก่นั่นเป็นผู้หญิงอย่างนี้นะครับก็ต้องอาบัติทุกคนพ่อผู้หญิงเนี่ยเป็นวัตถุอาณาล่ะหรืงคนผมว่าเรียงนะวัตถุอาณาม่ะ เนี่ยคุณก่าม e ึงนู yeah. ้ก่อนถ้าเกิดว่ากะตายตายครับทุ TI ๊กตายางคุณ wow. นี่เป็นเป็นตุ๊กตนหมุนะครับทุกกตายางด้วยลูปปั้นตัวนี้รูปผ้าตัวนี้ของผู้หญิงนะครับผ้านจะจับต้องไม่ได้ครับคุณนี่เป็นตุ๊กตานื้อเอาตั้งแต่ผู้หญิงจริงๆนะเครื่องนุ่ของผู้หญิงเครื่องประดับผู้หญิงนะครับรูปผ้ารูปปั้นของผู้หญิงนะครับแม้ปั้นด้วยแป้งก็ได้ดินเหนียวแล้วก็แล้วแต่นะของรับลูกหญิงก็แล้วแต่ ถ้าจับต้องได้นั้นนะครับไม่ได้เลยถ้าเป็นเสื้อผ้าก็ถ้าไม่ยังตั้งในฐาที่เขาใช้สอนมันหกอะไรอย่างนี่นะอันนั้นไม่ได้แต่เขาต้าถวายให้เราแล้วนะให้เรามานทำเป็นสบงคีรอ น, อ น, นเราได้ กำหนักหรือเปล่าอ๋อการรนแใช่ไ้ยแต่ก็ไม่ควรถ้า่าเราถ้าฆ่าเรก็มันไม่ดีนะครับก็จะหาว่าอ่านบนี้แม้ก็ว่าย่งนีเพราะเราไม่ได้กำหนักนั้นแล้วก็ไม่ไป่ตระกาโดยตรงแต่ว่ารับชื่มไม่มีอ่านบี่ไม่ได้เล่าหรือจะเล่านะเดี๋ยวนี้เขเขาว่าที่ต่ออย่างนี้ ให้จบหน้านี oh, Say, blows, ้ก็แล้วกันม okay. ันมีถึ้าข้อเลอกข้อครับเะได้พดอนาบัตนะครับอ่าเร่ไรเดี๋ยวมันยุ่งไม่ทันดูเรื่องแม่ก็ได้มาดูเรื่องแม่ครับนี่นะครับเรื่องจากข้อการแม่เป็นงืนถ้าจะพูดว่แนนานะครับนะ่นอนว่าเมื่อไหร่ไดไปฟังอาจารย์สำคัญบรญญัติไม่นี้มาครับถ้าเมื่อไหร่บัญญัตนได้ชัดเจนในนนั้นครับ นั่นก็มีการอธิบา ย, ยพอดีผมอยู่ชั้นล่างนะอาจาย์จะมีงานชั้นล่างครับถ้าใครอยู่ชั้นบนประชันก็จะไม่ได้ฟังนะ <c oughs> ผมชอบอยู่ชั้นล่าง น, ะางนี่นะครับท่านบอกว่าออร้อยเจ็ดสิบสองครับแยกนค้าเลยเออย่อมจาต้องการของบรรดาด้วยความรฉันนารดาครับ ร้อยขามมาเลยนะร้อยเจ็ดสิบสามมาเลยนะครับท่านมองว่านะเพราะขึ้ชื่อว่าผู้หญิงแม่ทั้งหมดจะเป็นมารดาก็าตามเป็นทิดาก็ตามเป็นข่าสึกแบบพมันจันทั้งนั้นนะครับเนี่ยนะอีกทีมะลังพ ม, ม่าจะได้ยัตร์นะครับสตรีมณฑนของพมันจันนะแม้แต่แม่กับเองนะครับสมัยก่อนก็มีเทพพิษุนีผู้เป็นแม่แล้วก็พาะนุชายนูลนะครับองค์บสถ้งสองคนเลยนะ แม่กับุนีข้าวของลูกชายก็ไม่มีข้าวนะครับทีน้เขาสองคนเนี่ยพอไปบวดแล้วก็ยังไปมาหาสู่ต้นเมืองนะครับแม่ลูกลมาหาแม่นะพูดคุยกันว่าให้ของกันบ้างนะไอ้เรืมาเกิดความสิ้นสนึ่ขึ้นมาครับเอกไปอยู่ด้วยกันนะครับเอยู่ในหัวมีเนเลยหนัเลยนครับได้เม่องแม่กับลูกนะ่ทำเรื่องจริงทารจิตเนี่ยในสมัยนั้นนะครับ แม่กับลูกนะสมัยนี้ก็มีที่แม่กับลูกจะมีอะไรกันใช่ไหมแล้วก็ออกนั่นดือยนะของอินเทอร์เน็ตออกอะไร น, นะครับแม่กับลูกมีแซ่บกันมันเป็นแค่ขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นเลยว่าเนี่ยเป็นค่าเสื่อมพมันจำเพาะนะครับก็เมื่อพิสูจน์และเลื่อนถึงพระ อ, อาณาานี้ของมัมพ้าคเจ้าถึงแม้ว่าเห็นมาดาถูกกระแสน้ำพัดไป ไม่ควรจับต้องด้วยมือเลยยันโดนปูนไปแล้วไปจับนะไม่ได้นะครับเนี่ยโดยเอามาตถุงามากนะีไมันวรจัต้องแต่พิสูจน์ผู้ฉลาดจึงนําเรือหรือแผ่นกระดาษหรือท่อนกุย้ยหรือท่อนไม้เข้าไปให้ครับคอาของเหานี้ไปแทนเนะมื่อเรือเป็นต้นนั้นไม่มีไม่มีอะไรทักอย่างเชื่อท่อนกล้ยแผ่นกระดาหรือ ไ, ไม้มันมีครับเขามีเงิะแม้ถ้าการสามารถนําไปวางไว้ข้างหน้าก็ได้ครับ แล้วก็วจีวรนะวางจับค่อข้างอเลยใช่ไหมแล้วก็โยนไปให้แม่วางจับนะครับนี้ได้แต่ไม่ควรกล่าวว่าจงจับที่นี่ให้จะจับเองต้อพูดอะไรนะเมื่อท่านจับแล้วพึงสาวมาดี่ทํามในใจว่าเราสาวบริขารมานี้ครับก็ถ้ามาดากกลัวพึงไปข้างหน้าเท่หน้าแล้วปลอยโยนว่าอยากลัวเราสามารถนตรงไปน้ำได้แต่ไปจับต้อง บอกไม่ใหญ่บัวบัวแค่นี้นะครับถ้ามานาสูบนับพลาดไปนะรีบขึ้นคอผ้นะครับกอดคอยนะหรือจับชึ้งนิ้ของผพิสุขพูดเป็นบุตรที่สุขอยาเพึ่งสาบว่าหลีกนี้ไปหนีแกไม่เราพูดอย่างนี้นะก็ถือว่าให้พึ่งส่งไปให้ถึงบอกเรก็ช่วยถึงพิสุขเลยเ <ME U TER S> <c oughs> มื่อมานาติดลมก็ดีตกลงไปงบอกก็ดีมีในเหมือนกันนี้อธิบายว่าพิสุเพึ่งฉุดขึ้น แต่อย่าพึงจับต้องเลยในความมิตินี้นะตอนนี้นะคราบที่เนริการเมสุบาไดนะ้นะเนิกายมีสบ้าะครับ เขาบอกว่านะเออถ้าว่าที่สูงนะครับที่สูงนะครับแม้กล่าวอยู่นะแม้กล่าวกับแม่นะครับที่โดดจมปลายแล้ว่านะแม้กล่าวกับแม่ว่าท่านจงจับแต่แม่ก็ไม่อาจที่จะจับผ้าเป็นต้นได้นะครับุู่ชายโยนผ้าอไปแล้วนะแล้วก็บอกว่จงจับเลย ด้วยอาศัยความกรุณาของสารแม่ตัวเองตามบอให้จับแต่แม่ก็จับไม่ได้กระแสนาหน้าอะไรนะะหรือโยนไปไม่ไม่ตรงไหนี้นะครับแล้วก็นะครับที่สูนี้ไม่ได้คิดเลยนะว่าวัตถุนี้เป็นอามากรหรืออนามากนะครับมาเห็นใจกับคำถามนะไปจับเอาไว้ว่าข้างหลังมีผมหรือต้องขอ ง, ของนนะงาฬิกาโดยฟังเลยด้วยความกรุณานะโดยที่ไม่ได้ส่ใจว่าเป็นอามาก ห, หรืออนามากนะครับอแล้วบอกว่า จากที่ผมเป็นต้นนะของมาดาพูดจมล อ, อยู่ในน้ำนะแล้วก็อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถพูดจะเ็นได้จากขึ้นมาแล้วก็คล้วออกมาเพื่อประสงค์จะให้แม่พ้นจนากนั้นะครับอันนี้ไม่เป็ น, านอาบัตครับไม่เป็นานบักเลยมีใจอย่างนี้นะครับลูกใจพารูนาอันนี้แล้วก็เหตุการณ์อย่างนั้นนะครับท่านร้ว่าเป็นพารูนบ้าแต่ว่าไม่ช่วยแน่ๆอันนั้นก็ไนดะ้ ในตอนนี้ท่านเอาสาหลับกรณีที่แบบมันไม่ได้คิดไงคิดแต่ช่วยไม่ได้ความรงงานเดียวไม่ไเหตุาการณ์ปุ๊บปั๊มใช่ไหมเหตุการณ์ปุ๊บปั๊มแล้วไม่ได้คิดดอกฝีงานนะคิดแต่ช่วยอย่างเดียวรูจ้จารตุนงานที่ทานว่าได้ก็เป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าแต่ถ้าท่ารู้เยื่อไ้ชอบบอก น, นว่าไม่ได้คิดไม่เคยคิดนะแต่ถ้าคิดก็ไม่ได้มีนครับค อ๋อเป็ครับน่าสามวัสาบแกที่หนึ่งบอกครับมีคนเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้ย่อมว่าติดใจด้วยชีวิก็